เมื่อวานสงสารคนจีนไม่ได้ฟังก็ อ, อยู่วัดเมื่อวานเหลืออยู่คนหนึ่งสอนบ้านดังๆตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจไม่เข้าฐานทีเดียวใจมอยู่ข้างนอก ลองหายใจด้ยลองหายใจหายใจเข้ามาอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกเ น, นี่ยตรงเนี้ยคาตาเกียไม่เหมือนกันดูออกไหมยังไม่ออกคาตากียเนี่ยใจมันอยู่ข้างนอกสบายๆกว้างๆโลง่โลงๆ จิตอย่างนั้นไม่ดีเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกจะไม่มีทางเกิดมรรคผลเลยจิตต้องส่งสมาธิที่ถูกต้องจริงๆให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆอย่าเมเจียใจมันเอือะเอยไปมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเราหายใจอีกสิอย่าให้แน่นนะหายใจสบายสบายอย่าดึงจิตอย่างนั้นทาผิดละอย่าดึงจิต หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปทานี่านี้บ่อยๆนะจะบริกรรมี่อะไรก็ไม่เป็นไรในตอนนี้รู้ลมหายใจไปเลยบริกรรมเอาไว้ทําทีหลังอะไรนะ เ, นเบื้องต้เนเพลงไว้ก่อนดีกว่าเออเราเหยนนะ <c oughs> เ่อเราเหยยไม่มีวันถูกอะอเพ่งถ้าเพ่งไม่แรงเนะียสังเกตไปเรื่อยรู้ว่าเพ่งกนะ็คลายละที่มันเพ่งเ พ, งเพราะมันอยากรู้อยากดีอยากปฏิบัติหายใจเรารู้สึกตัวหายใจเรารู้สึกตัวไปฝึก่นี้หายใจมันเข้าฐานก่อนค่อยทำที่จริงกรรมฐานอันใดนหนึ่งก็ได้ ขอให้รู้ทันจิตตัวเองเท่านั้นแต่ตอนนี้เราดูจิตตัวเองไม่ออกเั้นเราทํากรรมฐานนะมันผิดง่ายแต่เ น, นี้พาจิตมันกลับมาสู่ร่างกายก่อนในลมหายใจแนละ้วมันเข้ามาในร่างกายเราให้เรารู้ลมเนยวใจมันจะกลับเข้ามาพอเข้ามาแล้วคราวนี้ยจะบริกรรมก็ได้แล้วพอจิตเคลื่อนออกไปเราเห็นนะ้วคราวนี้ยเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้บริกรรมไป ตอนนี้ที่หลวงพ่อให้หายใจนะเพื่อให้จิตเข้าบ้านก่อนเนี่ยจิตออกไปกแล้วลพ่อทำหน้าให้ดูนะดูออกยังเออนี่มัผิดแหละการภาวนานะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหัดรู้ทันสิ่งที่เรียกว่าสภาวะ สิที่เรียกว่าสภาวธรรมที่พวกเรารู้จักมีสองนั่นรูปธรรมกนามธรรมรูปธรรมก็เช่นดูร่างกายนะเดี๋ยวร่างกายก็หายใจออกเดี๋ยวร่างกายก็หายใจเข้าเดี๋ยวร่างกายยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเนี่ยเรารู้ทันสภาวะของร่างกายร่างกายมันอยู่ในท่าทางยังไง มันหายใจยังไงคอยรู้ไว้จิตใจก็จะมีทั้งสติมีทั้งสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสติก็คือหลงไปร่างกายเคลื่อนไหวก็ลืมจิตใจเคลื่อนไหวก็ลืมนี่เรียกขาดสติใช้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือสมาธิจะต้องตั้งมั่นถ้าใจเออละเหยออกไปใช้ไม่ได้นี่เราต้องหัดรู้สภาวะไปนะ ถ้ารู้สภาวะของจิตได้ให้รู้สภาวะของจิตไปเลยอย่างจิตใจเรามีความสุขเรารู้จิตใจมันมีความทุกเรารู้จิตโลภโกรธหลงขึ้นมาเรารู้คอยดูไปเร้ยๆนะัดดูสภาวะไปจิตมันวิ่งไปคิดก็รู้จิตมันวิ่งไปดูรูปก็รู้มันวิ่งไปฟังเสียงมันวิ่งไปดมกลิ่นมันวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายก็คอยรู้ นี่หัดรู้สภาวะที่เป็นนามนธรรมนนามนธรรมก็มีสองส่วนส่วนของตัวจิตแท้ๆกับส่วนของความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกงั้นดูนามนธรรมนะมันมีสภาวะสองอนจิตกับเจตสิกจิตคือตัวที่รับรู้อารมณ์มันเกิดได้หกที่เกิดที่ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจงั้นถ้าเราอยากดู ตัวจิตจริงๆนะดูผ่านอยนายะตนะตอนนี้จิตลงไปดูรู้ทันจิตลงไปฟังรู้ทันจิตลงไปคิดรู้ทันในอยนายะตนะหกตัวเนี่ยสามตัวคือการไปดูนะไปฟังไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดตัวที่เป็นแชมป์เลยคือคิดงั้นถ้าเราเรนรู้ทันจิตใจนะจิตไปคิดเรารู้จิตไปคิดเรารู้ตรงที่ไปคิดเนี่ยคนส่วนใหญ่มันหลงคิด ้เราไม่ห้ามจิตมันมีหน้าที่คิดไม่ต้องไปห้ามมันบางคนไปสอนนะบอกอย่าไปคิดมาอ้างหลวงปู่ดูลเนด้ยนะว่าหลวงปู่ดุลบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้ไอ้นี่บิดเบือนคําสอนหลวงปู่ดูลไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดมันไปตัดประโยคสุดท้ายทิ้งอาศัยคิดคือจิตมันหนีไปคิด เรามีสติรู้ทันจิตที่คิดก็ดับจะเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้กับจิตที่คิดไม่เกิดร่วมกันเกิดคนละขณะเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันคิดพอมันคิดไปเนี่ยจิตรู้มันดับเกิดจิตคิดขึ้นแทนมีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตหลงคิดดับจิตรู้จาเกิดขึ้นแทนไม่ค่อยค่อยฝึกเาัเราจะไม่ได้บังคับตัวเองว่าห้ามคิดนะคิดก็ได้ คิดแล้วก็รู้ทันว่าจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วเนี่ยจะดูจิตดูใจก็ดูกันอย่างนี้ไม่ใช่ทําจิตให้ว่างๆหลวงพู ด, ดูลนเคยสอนหลวงพ่อนะตอนท่านบอกให้หลวงพ่อดูจิตนะหลวงพ่อเขาไปดูตัวผู้รู้จับจิตไม่เฉยๆเลยไม่คิดไม่นึกไม่ปลูกไม่แต่งอะไรอย่างที่เขาฝึกกันแหละที่เขาสอนกันไปหาหลวงพู ด, ดูลนหลวงพู ด, ดูลนบอกทผิดแล้ว จิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทามันินผิดปกติแล้วก็สอนคิดเท่าไรก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดให้มันคิดไปพอจิตคิดเกิดจิตรู้ก็ดับพอรู้ทันว่าจิตไปคิดจิตคิดดับจิตรู้ก็เกิดตรงนี้เราจะเดินเราหัดดูสภาวะของจิต ท, ที่เกิดดับได้จิตรู้กับจิตคิดไม่เหมือนกัน ถ้าไปปัญญาจะเกิดจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ควบคุมบังคับไม่ได้จิตคิดก็ห้ามมันไม่ได้มันทางานได้เองตัวนี้เป็นตัวปัญญาถ้ารู้แจ้งแทงตลอดลงในตัวจิตจเห็นจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตไม่ใช่เราเราขันห้าซึ่งเป็นผลผลิตของจิตจะไม่ใช่เราโลกทั้งโลกที่เรารู้ได้ด้วยจิตโลกทั้งโลกก็จะไม่ใช่เรา ตัวเราจะหายไปเลยไม่มีเป็นพระโสดปันนี่ถ้าเราดูจิตไม่ได้จิตหลงไปคิดก็ไม่รู้จิตอยู่ห้องนอกก็ไม่รู้จิตยังไปที่ไหนไม่เคยรู้เลยให้ดู ก, กายกลับมาที่กายไปก่อนมหาหัดรู้สภาวะของกายเช่นร่างกายหายใจออกรู้ไหมร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้ไหมไม่เห็นยากเลยใครแคนก็รู้ได้แต่ว่ามันละเลยที่จะรู้ หลวงปู่ดุลงสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองไปนี่ถ้าอ่านจิตตนเองไม่ออกดูกายหลวงปูมั่นบอกดูจิตไม่ได้ให้ดูกายไว้ก่อนดีกว่าหลงไปอยู่ในความคิดดูกายก็ไม่ใช่เรื่องยากกายไม่เคยหายไปไหนสักทีอย่างขณะ น, นี้ร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไว หรือไม่ชอบดูหายใจมันละเอียดเกินไปนะดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนขณะนี้ร่างกายนั่งรู้สึกลงไปไอตัวนี้นั่งอยู่ใจเป็นคนดนะูมันจะเริ่มเข้ามามีกายกับใจสองอันการดูกายไนมะ่ใช่ว่าไม่มีจิตนะจะดูอะไรก็ตามต้องมีจิตเป็นผู้ไปดนะูนั่นบางคนบอกว่าเริ่มต้นให้ดูกายอย่าไปดูจิตอันนี้คิดเอาเอง บทเรียนที่สองคืจิตตะศิขาต้องเรียนเรื่องจิตให้ได้ก่อนถึงจะเดินปัญญาได้จะเดินปัญญา ด, ด้วยการรู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้นะรู้รูปธรรมนามธรรมก็ได้รู้กุศลอกุศลก็ได้ตรงที่รู้รูปธรรมนามธรรมรู้กุศลอกุศลเนี่รู้กระบวนการทํางานของจิตอันนี้คือธรรมานุปัสสนานธรรมานุปัสสนา นั่นจะลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งลึกกว่าการรู้จิตเฉยเยรู้จิตในแค่จิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้รู้แค่นี้แค่นี้ก็พ อ, อเฝ้ารู้เฝ้าดูแต่ตัวธรรมานุปัสสนาจะรู้เลยว่าทําไมมันดีทําไมมันชั่วทําไมนิวรณ์ถึงเกิดทํายังไงนิวรณ์ไม่เกิดทํำยังไงโพชฌงจะเกิดทําไงโพชฌงไม่เกิดจะรู้รู้กระบวนการ รู้ธาตุรู้ขันรู้อายตนะรู้อินทรียนะ์รู้ปฏิจจสมุปบาท น, นี้อยู่ในส่วนของธรรมานุภัสนาซึ่งยากนะพวกเราเริ่มจากธรรมานุภัสนาไม่ไหวเริ่มจากกายหรือเวทนาหรือจิตซะก่อนแล้วมันจะเข้ามาที่ธรรมานุภัสนาเองทุกคนที่ได้มรรคผลนะมันจะเข้ามาตัดที่จิตนะมาเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจจะเป็นธรรมานุปัสนาทุกคนนะลงท้าย นี่ดูจิตไม่ออกดูกายไว้ก่อนกายนั่งรู้สึกอย่าไปจ้องจ้องร่างกายจะหันหน้าแล้วะนะอย่างไม่เอาทุเลต์มันหันก็รู้ว่ามันหันมันนั่งมันไปยักหน้ารู้สึกไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรที่พิดาีผิดมนุษย์มานานนะอย่าท่านบอกว่าก้าวไปก็รู้สึก ถอยหลังมาก็รู้สึกนะจะคูจะเหยียดก็รู้สึกก็แค่นี้เองอะ่นะจะยืนก็รู้ชัดว่ายืนอยู่จะเดินก็รู้ชัดว่าเดินอยู่จะนั่งก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ถ้าไม่เคยสอนเลยนะว่าการเดินมีกี่จังหวะการจะขยับตัวนี้มีกี่จังหวะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยนะอันนั้นตำลาครูบาจารย์ชั้นหลังๆนะันมาสร้างขึ้นเองหลวงพ่อเตียเนนะี่ย14จังหวะ พุทธเจ้าไม่เคยสอน14จังหวะนะหรือพองยุบนายกเทา้าแยกเทา้าแล้วก็หจังหวะ7จังหวะอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกบอกเดินไปก็รู้ชัดว่าเดินอยู่รู้ชัดว่าเดินอยู่รู้ยังไงรู้ว่าร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูแค่นี้เองนะนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ยังไงรู้ชัดไม่ใช่เนรู้ชัดชัดจ้า อ, อย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้ชัดนะ นี่เรียกว่าเพ่งเป็นการเพ่งเอาไว้แล้วนั่งอยู่รู้ชัดว่านั่งอยู่คือรู้ว่าร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเดินก็ร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนอนก็ร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูนี่ดูอย่างนี้หายใจออกใครเป็นคนหายใจร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะงั้นหายใจออกหายใจเข้าอย่าไปจ้องที่ตัวลม ไาจ้องใส่ที่ตัวลมนะั้นจะกลายเป็นการเพ่งลมเป็นสมถะนะรู้สึกไปแค่รู้สึกนะร่างกายหายใจออกก็รู้สึกร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกแค่นั้นแหละดูยังไงดูร่างกายหาย ใ, ใจไม่ใช่ดูลมหายใจไม่เหมือนกันนะถ้าดูลมหายใจจะได้สมาธิเพราะอะไรการดูลมเนี่ยมันคือกะสินลม ถ้ามาจ้องอยู่ที่รูจมูกเห็นลมไหลผ่านช่องว่างคือจมูกนี่เป็นกระสินช่องว่างนะถ้าลมระงับไปกลายเป็นแสงดูอยู่ที่แสงเป็นกระสินแสง น, นั่จะเป็นเรื่องของกระสินเรื่องของสมถะแต่ถ้าเราอยากเจริญสติเจริญปัญญาเอามากเาผลนะหายใจเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดู อานาปะรสติไม่ใช่แปลว่ามีสติรู้ลมหายใจอยู่ตลอดเวลาอานาปะรสติคือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเขาออกตัวหลักคือตัวสติไม่ใช่ตัวลมลมเป็นแค่อารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องะระลึกของสติเท่านั้นเองไว้เรารู้สึกไปร่างกายเป็นหายใจเวลาจะรู้อิริยาบถร่างกายเป็นยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูใช่หลักอย่างนี้เลย ไอโนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เรื่องนะมีเพ่งไม่เลิกนะไปแก้ตัวนี้ให้ตกซะไปดูว่าทําไมถึงเพ่งที่เพ่งเพราะโลภอยากปฏิบัติถ้ารู้ท่านใจที่โลภมันก็จะเลิกเพ่งของคุณเนะ่ยเมื่อกี้ดีนะแต่ยิ่งนานๆไปยิ่งเพ่งแรงขึ้นเรื่อยๆแนละ้วตอนเริ่มต้นตอนที่หลวงพ่อเริ่มสอนนะจิตถูกเลย เนี่ยฟุงฟ้งซ่านไปฟุ้งซ่านไอ้จิตมันไม่เข้าบ้านหายใจไว้ลืมหายใจแล้วหายใจผิดแล้วเมื่อกี้ที่บอกให้หายใจไว้เนี่ยไปขยบจิตเข้ามาอย่างนี้นึกออกเปล่าตัวนั้นผิดหายใจก็รู้ด้วยจิตปกตินี่แหละจิตมนุษย์นั่นดีที่สุดอยู่แล้วเป็นจิตที่ฝึกได้ จิตเพ่งนิ่งๆจิตของลมนะก็อยู่อย่างนั้นเลยเป็นกลับๆนะอยู่จนโลกแตกแล้วแตกอีกยัอยู่อย่างนั้นนะเอ อ, ป ล, อลปล่อยแล้วรู้สึกปล่อยแล้วรู้สึกตัวนี้แรงไปแล้วเพ่งแรงนะ้วดูออกยังหัดดูตรง น, นี้แหละเพ่งก็รู้คลายก็รู้เพ่งก็รู้คลายก็รู้นะ ดูไปเดี๋ยวมันจะเริญปัญญาได้เลยไม่ใเห็นนะจิตที่เพ่งก็ห้ามมันไม่ได้หรอกมันมีเหตุเหตุก็คือโลภจิตจะคลายก็ห้ามมันไม่ได้ทําไมมันคลายตัวจิตโดยตัวมันเองมันผ่อนคลายอยู่แล้วมันผ่องใสมันประพัดสอนมันสบายแต่เราไปแทรกแซงเรามีกิเลสเราไปบังคับมันเลยเครียดขึ้นมานี่ใช้จิตธรรมดา ไปดูมันเครียดขึ้นมาก็รู้อย่างตรงนี้เครียดขึ้นมาแล้วรู้ทันตาไปก็จะเห็นนะจินมีเหตุกวเครียดพอหมดเหตุมันก็คลายมีเหตุก็คือโลภก็เครียดหมดเหตุคือไม่โลภแล้วก็คลายตาไปก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุตรงนี้เห็นอนัตตานะเห็นอนัตต่าหรือเราเห็นว่า จิต ท, ที่เพ่งเอาไว้เกลียดๆนะก็ไม่เที่ยงแต่ตัวนี้ดูยากเพราะว่าถ้าติดเพ่งแล้วนะมันเหมือนเที่ยงถ้าติดเพ่งแล้วนะพวกฤาษีพวกฤาษีเนะี่ยจิตเป็นของไม่เที่ยงมันเห็นว่าเที่ยงเพราะมันเพ่งอยู่เนะี่ยเพ่งอยู่ได้เป็นกลับๆนะจิตมันเป็นทุกข์นะต้องถูกบีบคั้นตลอดเวลากลายเป็นจิตมีความสุขสบาย ยอยู่เป็นนานแค่ไหนก็อยู่ได้นะจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ก็กูบังคับได้เราะฉนั้นทําสมาธิผิดมันสมาธิลือสีเนะี่ยแทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันจะเห็นว่าจิตเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตานะจะเห็นกลับหัวกลับหางไปหมดแนละ้วเสร็จแล้วรักจิตห่วงแหนจิตนะถือว่าเนี่ยของดีของพิเศษกูเหนือว่าคนอื่น พวกมีชาติทิฏฐิทั้งหลายนะีน่ยจนวนมากเลยนะที่เป็นพรหมมาก่อนเป็นพรหมมาก้อนอย่างพวกที่เคยเกิดเป็นพรหมลุกฟักพรหมลุกฟักในจิตมันดับไปมีแต่ร่างกายไม่มีความรู้สึกนะพอมันกลับมาเกิดเป็นคนปุ๊บมันเกิดทําสมาธิระลึกชาติได้มันจะรู้สึกว่าชาติก่อนไม่มีไม่มีอะไรเลยนะอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเลยไม่ต้องมีเหตุอะไรจากความว่างๆก็เกิดมีเราขึ้นมาเลย เพราะว่าเคยไปเป็นพรมพลูกฝักมานะบางพวกก็เป็นพรมพอยู่นานมากนะอายุยืนเห็นคนอื่นมันตายไปเรื่อยๆเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะคนนั้นก็เกิดดับคนนี้ก็เกิดดับเห็นเห็นได้สัตว์ทั้งหลายเกิดดับตัวนี้มันเป็นโลกิยาญนะเป็นเรียกว่าจุตูปปัตยานเห็นสัตว์เกิดตายเกิดตายพรมพนี้มันอยู่มานานเห็นเ อ, อ้ยนี่ตายแล้วเอาไปเกิดที่นี่ เกิดสำคัญผิดนะว่าจิตเนี้ยเป็นอมตนะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าสัจจะทิฏฐิจิตเที่ยงแล้วกูเนียไม่เกิดไม่ตายอยู่คนเดียวนะเป็นตรมา ต, ตามันเป็นสยมภนะูเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งเนะี่ยเป็นพรมที่สะสมความเห็นผิดไหมนะเคยอ่านเรื่องพกาพรมไหม พระกาพลมที่เวท้าแข่งกับพระพุทธเจ้าบอกว่ามาแสดงฤทธิ์กันใครยังมีฤทธิ์มากกว่ากันพระพุทธเจ้าก็บอกเอามาแข่งหายตัวกันให้พรหมหายตัวก่อนพรหมจะหายตัวไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยมันจะยากอะไรเนี่พระพุทธเจ้าบ้างแต่พระพุทธเจ้าไปซ่อนบ้างนะพระเจ้าซ่อนอยู่บนหัวของพรหมพรหมก็โมดูอยู่ที่ไหนมาเหมือนในพวกใส่แว่นนะ เอาแว่นไว้ที่นี่นะแว่นหายมานะพระพุทธเจ้าหนีไปซ่อนอยู่ที่นี่อยู่บนหัวมันนะมันไม่ได้มองตัวเองอันนี้เป็นธรรมะนะสอนเราว่าเราไม่ย้อนดูตัวเองเราจะไม่เห็นพุท ธ, ธะนะถ้าไม่ย้อนมาดูตัวเองจะไม่เห็นพุท ธ, ธะเพรนั้นบางคนจะไปแต่งคิดว่าเป็นนิทานแต่ความจริงแล้วมันเป็นอุบายในธรรมะ คือถ้าไม่เห็นตัวเองจะไม่เห็นพุท ธ, ธะไม่ได้ธรรมะนะะั่นแหละยังต้องย้อนมาดูดตัวเองเห็นไหมธรรมะสนุกออกง่ายไม่ยากยิ่งเรียนยิ่งสนุกนะภาวนาไปมีความสุขหลงแล้วก็เพลินเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดแล้วดูออกอยัง เนี่ยหัดดูจะเป็นะจะได้ดูจิตเป็นสทัทีถ้าดูจิตไม่ได้กลับมากายนะจำไม่เละแต่อย่าเพ่งกายแค่รู้สึกกายมีสติรู้สึกกายไปหลวงปู่มั่นเคยสอนรู้กายเพื่อจะได้เห็นจิตรู้จิตเพื่อจะได้เห็นธรรมหลวงพ่อไม่ทันหลวงปูมงป่มัน่นองค์หลวงปู่มั่นมผ่านไปปีสองสี่เก้าสองหลวงพ่อเกิดเกนะ้าห้าหลวงพ่อเรีย น, นลูกศิษย์ท่าน หลายองค์องค์ที่สอนว่าหลวงปู่มั่นบอกว่าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทําสมถะทําสมถะเพื่อให้มีแรงมีแรงไปดูกายดูจิตได้แล้วดูกายเพื่ออะไรดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นธรรมธรรมะเกิดที่จิตสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมีอะไรบ้างกุศลลธรรมเกิดที่จิต อกุศลธรรมเกิดที่จิตไม่เกิดที่กายหรอกมรรคผลก็เกิดที่จิตไม่เกิดที่กายหรอกแต่ว่าเราดู ก, กายเป็นทางผ่านเข้ามาเห็นจิตถ้าเปรียบเทียบกายเหมือนเหมือนบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเราอยากหาเจ้าของบ้านเรายังหาไม่เจอไม่รู้มันไปเที่ยวที่ไหนไปเฝ้าหน้าบ้านเหมือนไว้เดี๋ยวมันก็กลับมาท่านที่เราดู ก, กายเนี่ยเพื่อจะได้วันหนึ่งเราจะเห็นจิต ใช่ดูกายแล้วเพ่งซื้อบื้อไปเยนะอีๆอนูนั้นน่ะที่ติดแพ่งอ่ะวันเนี้ยเบากว่าเมื่อวานดูออกเปล่าไปฟรีนะที่หลวงพ่อสอนนะเอาไปทำเอาไม่งั้นเนี่ยลำบากชาตินี้แล้วชาติหน้ายิ่งลำบากกว่านี้อีกลำบากชาตินี้ยไปเพ่งไว้ซื้อบื้อลำบากจะตายอึดอัดไม่ได้มีความสุขอะไรเลยนะไม่มีความสุขตรงไหนยิ่งทํายิ่งทุกข์ เคยชินที่จะเพง่งชาติหน้าเพ่งมากกว่านี้ยายามรู้สึกตัวเคยชินที่จะรู้สึกตัวชาติหน้าจะรู้สึกตัวง่ายกว่านี้ที่ตอนเด็กๆ เ, นะเกิดอะไรที่รุนแรงขึ้นมานะจิตมันดีดผังให้มารู้สึกตัวเลยหลวงพ่อตอนสักสิบขวบฮะไฟไหม้ข้างบ้านตกใจนะบ้านเป็นตึกแถวเล่นอยู่หน้าบ้านอะตกใจเห็นไฟไหม้ห่างออกไปสี่ห้าหลังสี่ห้าห้องอะ ก็เล่นลูกหินอยู่กับเพื่อนอ่ะคว้าลูกหินได้วิ่งเลยก้าที่หนึ่งตกใจก้าที่สองตกใจก้าที่สามเนี่ยมันสติมันระลึกรู้ทันว่าตกใจนะความตกใจเนี่ยขาดสะบั้นลงไปเลยนะจิตผู้รู้เนี่ยเด่นดวงขึ้นมาเลยเราก็ไม่กลัวเราไม่ตกใจแล้วเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่ า, าไฟไหมคราวนี้ยเราเห็นคนอื่นตกใจเราไม่ตกใจเราเป็นคนดนะูอันนี้สติอัตโนมัติมันเกิดมาเพราะไม่นเคยฝึก พวกเราก็เหมือนกันถ้าเราเคยฝึกผิดผิดมาชาตินี้ชาติหน้ามันผิดมากกว่านี้ถ้าฝึกให้ถูกนะชาติหน้ามันง่ายฝนะึกไปอดทนพักเพียรไป้เรื่องเหลวไหลทั้งหลายขี้เกียจขี้คลานนะหลงโลกอะไรเนะี่ยชาตินี้มีพระพุทธศาสนาทิ้งโลกไว้ก่อนเอาเวลามาภาวนาให้มากที่สุดนะสะสมแต้ไมไว้ชาติต่อไปจะไม่เจอศาสนาพุทธจะได้มีต้นทุนติดตัวไว้ เวลามีอะไรมากระทบเนี่ยจิตจะทำงานขึ้นมาได้เองสะสมไว้จนมันเคยชินที่จะมีสติสะสมไว้ที่จะรู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเน้อก็ตัวคือมีสมาธิสะสมไว้ที่จะเห็นทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคือการเจริญปัญญาสะสมให้มากที่สุดถึงจุดหนึ่งนะจะได้พ้นทุกข์หมดเวลาแล้วหันไปทางน้น